วัดตางวัดตลกวนาลาวันที่สองกันยายน2559เรื่องพลังอำนาจพุโทโธโดยหลวงตาณรงศ์ขีนารโยฝึกฝนข้อน้าเยอมาปฏิบัติเฉพาะที่นี่ไม่พอบางคนอาทิตย์หนึ่งมาครั้งเดียววันศุกร์อย่างเงี้ยยิ่งไม่พอใหญ่เลยต้องกลับไปบ้านทุกอาบทไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำห้องส้วม นั่งซ่วมอะอยู่กับบริการพุทโธไว้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมติดจิตไว้บริกรรมให้เร็วๆเหมือนืนกลนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่าไปบริกรรมช้าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุพมพออกเสียงหน่อยๆก็ได้ตอนเราอยู่คนเดียวปากขมุกขมีบขมุกขมิบพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพ เดี๋ยวพอเหนื่อยรัดเสียงก็เข้าไปอยู่ในใจเราหลือต่พุทโธพุทโธในใจเริ่มต้นจะปากขมุกก็มีไฟออกเสียงไหนก็ได้เร็วๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธถ้าเราเราสังเกตเห็นแล้วตาเห็นพอเรารู้ราไม่ใจเข้าหาใจออกส่วนใหญ่ไม่ไม่อยู่หรอกใจไม่อยู่มันฟุ้งซ่านคิดนั่นคิดนี้คิดนั่นคิดนี้แล้วก็นั่งหลับสงกแล้วก็ได้ผลอะไรอย่างนี้นั่งกี่ปีกี่ปีก็ไม่ได้เรื่องอะไรเพราะว่ามันจะมีแตนั่งหลับสงบกับคิดฟุ้งซ่าน มันไม่ทันมันไม่ทันกับความคิดอื่นที่แทรกเข้ามามันไปกับความคิดหมดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นไม่ทันกันมันจ้องบริกรรมบวนาพุทโทธให้มันเร็วออกว่าความคิดอื่นพุ there, นนนนาาทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุท อย่าอื่นเข้ามาแทนที่ได้หมดแเราเห็นนั่งเบอร์เบอร์ลอยลอจับเคลิมเลิมอย่างนี้นั่งไปเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะไม่เกิดประโยชน์อะไรนันต้องให้บริการเร็วเข้าพอแม่คูบาอาจารย์อย่างลุมพูเจ้าลุมพูมั่นเนี่ยให้บริกรรมเร็วๆก็ลุมปูแม้แต่ลุมพูมันโพเลียโตพลาดจันใหญ่เลยก็ให้บริการกุโธเร็วๆกุโถกุโถกุโถกุโถเร็วๆ หลวงปู่ออหลวงปู่เพื่องเรื่ออะไรไปสอนลูกศิษย์ให้รู้ลมหายใจเข้าออกรู้ลมหายใจเข้าออกโดนหลวงปู่เจียไปด่าจ้ะกูอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นมาคูไม่เคยเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนให้รู้ลมหายใจเคยเห็นเลยไอ้พุทธโตเร็วๆทั้งกันน่ยพอดีท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นในการพระอาจารย์ใหญ่กันทะเลากันได้แต่พระท่านก็สอนให้รู้ลมหายใจเข้าออกเราก็อารมณ์มัรวยเพราะว่าชอบ ดูลมหายใจเขาออกแต่เราดูแล้วถ้าดูลมหายใจเขาออกมันไม่อยู่จิตไม่อยู่นั่งคิดนนคิด น, ด น, น, ดนี้คิดนั่นคิดนี้คิดนีแล้วก็บางทีกน็นั่งหัวหับสบายงกหัวทิ่ไม่เกิดประโยชน์อะไรสติไม่มีสติขาดนะบริกรรมพุโทโธเร็วๆเข้าตอนนี้ยืนเดินนั่งนอนคล้องน้ำมองส้วมดืม่มกินทำอะไรก็บริกรรมพุโทโธไว้ในใจเร็วๆแล้ ว, ลวข้างนอกเนี่ยไม่มีสติแต่ปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์ทาอะไรย้ายผิดพลาด ข้างในก็แอ บ, บริการพุโทโธไว้เร็ว ๆ, วๆววตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบ ร, ร, ร, อออบ ร, ร, รตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆตบๆ แล้วก็อยู่ๆจิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งในเวลาไม่นานแล้วก็ฟื้นมาได้ตอนที่สามีไปไปจองสาราวัด ส, สามีเป็นผู้อักษาไปจองสาราวัดต่อสีพระธ ร, รมหาธาตุบางเขนแล้วส่วนเมียก็หมอบอกว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่กี่นาทีก็ตายแล้วเพราะว่ามันตอนนี้ก็เหมือนคนตายไปแล้วเนี่ยแต่เพียงภายในมันยังไม่ดับก็ไปไปไปหาสาราวัดไปจองกลับมาเราไปเห็นเขาอ้าว เอ๊ะมันยังไม่ตายเนี่ยเลยบริการพุทโธเร็วๆก็พุพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเราบอกให้ให้บริการพุทโธ้านี่หลงอาจารย์นรงศักมาดียินไหมเนี่ยเอ๊ะตามมันยังขยิบได้ไม่ตายเนี่ยเนี่ยพอเราพูดก็ตามขยิบได้แต่ตัวบวมสามสี่เท่าของล่างเดิมเพราะว่าเป็นมะเร็งมดลูกเลือดมันน้ำเหลืองมันเข้าไปในสมองหมดแล้วมะเร็งมันลามไปถึงสมองไปถ้งอวัยวะทุกส่วนแล้ว น้ำเหลืองมมันเข้าไปอัดหมดแล้วเลือดไม่ไหลตัวบวมของต้องไม่รู้กี่สิบกี่กี่เท่าของให้ร่างกายปกติบริการล้ไปให้บริการบุโตเวุโตุโตุโตุโตุโตุโตเร็วรๆอีกบุโตุโตุโตุโตให้บริการ เ, เร็วๆจนกระทั่งจิตมันรวมเป็นหนึ่งแล้วก็หลอดตายเอาได้หลอดตายได้นะคนนี้หลอดตายเดมีคนหนึ่งพอถึงขั้จะตาย โยมบาลพญาโยมไในานิลบานยมมาพูดมารับอยาไปลากปนรกให้บริการมเร็วๆเข้พุทโธพุทโธพุทโธเร็วๆเข้าบริการมจนกระทั่งจิตมันรวมเป็นหนึ่งได้ทันเวลาพอดีเลยรวมเป็นหนึ่งกับพุทโธอ้าวไม่ได้ไม่ต้องไปนรกไปสวรรค์ชั้นสูงได้สึกคนนี้จะไปถึงสวรรค์ชั้นดุสิตไปอยู่ชั้นเดียวกับปสิยะเม Colonel. ตัยตรงมันข้ามเลยตอนแรกจะไปนรกซะแลรกพอจิตมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพุทโธอ้าวไปอยู่นู่นนะ ก็อยู่ชัดนดุสิต์ลยจากไม่มีฤทธิ์ในกลายเป็นมีฤทธิ์เลยมันอำนาจของพุโทโธเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันหมดแม้แต่สมเด็จพระสังฆราชตงที่แล้วก็เลยบอกว่าพุโทโธเนี่ย้าบริกรรมพุโทโธไว้ยังไม่ถึงที่ตายยังไงก็รอดได้กำหนักก็เหลือเบาบางลงกำเบาบางก็หมดไปมีโรคภัยไข้ขเจ็บใดๆก็หายได้แต่กำหนักไม่มาตัดรอด พอแม่ครูบาจารย์เนี่ยของเราหลวงปู่สมัยทีคายุโกะเป็นนอนอยู่ในถ้ำแล้วทุทโธไปแล้วก็ไปนอนในถ้ำแล้วไม่ได้ดูพอล้มตัวลงนอนนะเสือคลอกมันเลยมันมันโง่อยู่เป็นหัวท่านเนี่ยท่านตกใจหันไปมองตอนนี้กับพุทโธมาเลยเป็นเป็นกนเลยท่านบอกว่าขนาดพุทโธมันยังไม่ทันเลยว่าพีลงตาบอกว่าพุทโธพุทโธพุทโธท่านบอกไม่ทันอ่ะพอเสือคาแรกกันนั้เน่ะพุทโธได้แค่คําแรกที่เหลือโตโตโตโตโตโตโตโตโตโตแล้วก็หลับตาปีเลย แล้วจิตมันก็รวมไปตั้งแต่ตั้งแต่เจอเสือหัวค่ํำไปจนถึงบ่ายแก่ๆโน่นนะ่ะไปรู้สึกตัวท่านว่าจิตมันรวมไปถึงถิติภูตังคือรวมไปถึงจิตเดิมแท้เลยตัวมันหายตัวไปเลยเสือมากหายไปไหนก็ไม่รู้เอาลืมตาเมื่อเสือตั้งข้อหายไปหมดแล้วจิตมันรวมไปถึงฐานจิตถิ่นตีภูตังเนี่ยท่านว่าโอ้เห็นอํานาจของพุโทโธมากเลยเสือมาทั้งข้อก็ไม่กลัว แล้วท่านเดินทุดงไปทะลุไปในประเทศลาวประเทศพามา่าประเทศอะไรไปจนทั่วไปถึงประเทศจีนไปอะไรทั้งหลายไปจนทั่วหมดเนะี่ยป่าดงดิบสมัยก่อนมันเป็นป่าดงดิบเป็นดงพญาเยน็นท่านก็ไม่เป็นอะไรถามว่าท่านทำไมมีคาถาอะไรดีๆสอนผมบ้างในผมจะไปเดินทุดงบ้างท่านบอกมีพุโทโธกับศีลบริสุทธิ์อย่างเดียวนี่เนี่ยคาถาดีที่สุดก็คือพุโทโธนี่แนี่ยลอดตายท่านลอดตายมาแล้วโดยรถทัวร์วชนจนบนัด บาทที่บินตบาบตนะบินตบาตตอนเช้าข้ามถนนอา้าวทาไมหลวงปู่เดินข้ามถนนนะ่ะรถทัวร์มาเอาก็มีตํารวจยืนอยู่ตรงสี่แยกก็นึกว่ายัางไงรถรถทัวร์ต้องจอดเพราะพระกาลังข้ามถนนอยู่บินตบาดข้ามถนนอา้าวรถทัวร์มันไม่จอดมันผ่านตํารวจที่ยืนอยู่ผ่านสี่แยกชนพระเลยที่กาลังบินตบาดชนหลวงปู่สมยัยบาทเหล็กบาทที่อุ้มไปบินตบาตบาดเหล็กแตก ตัวท่านก็หมุนล mm ิง hmm. ิงลิงลิงลหมุนติ้วเลยแล้วกลับมายืนอยู่ที่เดิมเลยถามท่านว่าเอาทําไมท่านไม่เป็นอะไรบอกว่าก็พุทโธนะพุทโธพุทโธพุทโธโอ๋ออะไรก็พุทโธหมดเลยถามท่านพุทโธอ่าแล้วสอนกรมผูกเสกพระมังอธิษฐานพระมังทาไงเวลาอธิษฐานพระเด่นก็พระเครื่องมาให้จัดอธิษฐานก็พุทโธค่ะเออเอา จิตไปจับไว้ตรงประเครื่องเขาแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธปลาก็ศักดิ์สิทธิ์เอาไปใช้กศักดิ์สิทธิ์คนนับถือกันเยอะแยะพุทโธอย่างเดียวท่านอะไรก็พุทโธอย่างเดียวเลยอธิษฐานปลากับพุทโธพุทโธพุทโธไอหยาน้ํามนต์กับพุทโธพุทโธพุทโธเดินทุดงไปในป่าดงดิบเจอเจอสัตว์ร้ายเจอพวกที่โดนทําคุณไสททำทำไม่อะไรเขาเรียกอะไรนะทําคุณใสทําไห้อะไรเขาเรียกอะไรนะ อย่าสั่งอะไ ร, ะไรเลยเนี่ยเจอผีเจออะไรอะอไรต่างๆเจอสัตว์ร้ายเจออะไรพุโทโธอย่างเดียวะหลวงพ่อพุทธานิโยเล่าให้ฟังว่าไอ้ท่านฟังอยู่ในเทท่านว่าหลวงตาที่วัดท่านเนะ่ยเป็นจอมขหมังเวทเวลาผีคนโดนผีเข้าโดนของเข้าโดนอะไรจท่านก็จะส่งไปให้หลวงตาด้วยรักษาพอมีอยู่หลายหนึ่งท่านส่งไปพอหลวงตาจะท่องคาถาจะ จะปากผีผีมันท่องจบก่อนทุกคาถาเลยท่องคาถาอะไรผีมันก็ท่องเสร็จจบก่อนทุกคาถาสู้ผีไม่ได้ผีมันบอกว่ากูเนี่ยคือจองคำหมังเวทตัวจริงมึงจะมาสู้กูได้ยังไงผีมันไม่กลัวเนี่ยผีมันเป็นจองคำหวังเวทมันชอบทําเสน่ห์ยาวแฝดชอบทําให้พวกคุณสายทำอะไรมันเลยตายไปเป็นเปรตเป็นผีแต่มันเป็นผีที่ไอ้มนติดอยู่ในจิต มันไปเป็นผลของกรรมมันทําให้บาปกรรมมันไปเป็นเป็ดเป็นผีเป็นเป็ดแต่จิตมันยังสวดมนต์ได้มันเป็นจอมขมังเวทหลวงตาเนี่ท่องคาถาอะไรมันท่องจบก่อนทุกตีเพราะว่ามันไอจอมขมังเวทสู้ไม่ได้เพราะว่าท่องคาถาสู้ผีไม่ได้หลวงตายอมแพ้เขาก็เลยพาคนที่โดนผีเข้าเนี่ยผีจอมขมังเวทเนี่ยมันเข้ามหาหลวงพ่อพุทธนิยโอมอยู่วัดเดียววะเนี่ยหลวงตาก็อยู่วัดหลวงพ่อพุทธนิยโอมวัดป่าสารวันรทีโคราช หลวงพ่อพุทธานิโยบังคับให้คนที่โดนไอ้ผีมาทองพุทโธไอ้ทองพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้ให้คนที่โดนผีเขา้าท่องพุทโธพุทโธพุทโธไม่กี่เที่ยงไอ้จองขมังเว้มันร้องล้านกระเด็นลงมาเลยเพราะอะไรไอ้จองขมังเวบมันไม่ได้บริกรรมพุทโธมันไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันทําแต่เรื่องคุณใ ส, สเสนยหแฝดทาแต่เรื่อง เวทมนต์คาถาอาคมเดลฉานวิช า, าแต่มันไม่ได้บริการพุทธโธไม่ได้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารวมลงที่พุทธโธพุทธโธครอบโลกกถาจักรวาลสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้เดลฉานวิช า, ล, าลองลั่นกระเด็นลงมาเลยเนี่ยอะไรลยสู้พุทธโธไม่ได้ลูกตาเก่งเวทมนต์คาถาอาคมสู้สู้ผีไม่ได้หลวงพ่อพุทธตานยโยให้พุทธโธกันาดนั้ น, น, นกระเด็นร้องลั่นลงมาเลยนั่นเนี่ย ไอเราศรัทธาในพุโทโธถ้าเราศรัทธาจริงมีคนคนหนึ่งเนี่ยแม่เขานี่แน่เป็นแม่แม่เขาแน่นแล้วก็เป็นแม่เล็กเราแล้วก็เป็นเป็นแม่เขานี่มาอยู่ที่นี่แม่เขาชื่อว่าแม่สมลิ้มแม่สมลิ้มเป็นมะเร็งที่กามเป็นมะเร็งที่กามแล้วมันเน่าเน่า เน่าออกมาข้างนอกแล้วก็เนื้อนี่มันเน่าหมดเลยเดินไปเห็นหมดเลยเนี่ยเห็นฟันเห็นกามหมดเลยน่าเกลียดมากเลยที่ ด, ดูได้คนเนี่ะไอ้ตรงนี้หายหมดจะเป็นเป็นแต่ตรงนี้หายหมดแล้วเนี่ยเห็นกามเห็นฟันแล้วมันเน่ามาถึงตรงนี้ข้างล่างนี่น้ำเหลืองไหลยเยอะหมดเลยหมอหมดทางรักษาให้กลับไปตายบ้านอหมอบอกว่าหมดทางรักษาแล้วประชุมปรึกษากัน หมดหนทางเพราะมันเน่าหมดแล้วจะรักษาตรงไหนก็เน่าจะรักษาตรงไหนก็เน่าลามเนี่ยแม่ขั้นเนี่ยเราก็เลยว่าเอาเถอะหมอไม่รักษาแล้วแต่พุทธเจ้าเนี่ยเมตตาไม่เคยมีที่ตุดไม่มีประมาณมาพุทโธเข้ามาอยู่กับเราในแนวพุทโธเข้าแกกับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ ท, ท, ท, ทั้งวันทั้งคืนเน่ยไม่ต้องทำอะไร พอมันจะตายแล้วนี่แกก็เลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแกตั้งคืนด้วทั้งวันทั้งคืนแต่แกตอนแรกแกก็บอกว่าแกพุทโธมันลอยลมมันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเป็นที่ที่เกาะที่ยึดไม่รู้จะกพุทโธไว้ตรงไหนแกเลยมาขอเราบอกว่ามาขออะไรแทนพุทโธหน่อยได้ใหมมันรู้สึกว่ามันมันมันมันพุทโธหน่อยอะไรหนักหักมือหน่อยลูตาก็เลยหันไปเห็นไอ ไข่หินเนี่ยหินอ่อนน่ะที่ก็มาเจียเป็นลูกไข่เป็นลูกไข่มาเล่นเออเรามาทิ้งไว้เออก็คว้าไข่หินมาเอาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเอาเอาดีนะเนี่ยไข่ไข่พุทโธแล้วก็เอาดีแม่ไข่นี่มันหนักจริงก็ถือไว้ตลอดวันตลอดคืนน่ยแหละแกบอกว่าเวลาแกนอนแกก็เอาไข่หินเนี่ยเอามือวางไว้อย่างงี้พอมาหลับปุ๊บหินมันตกใส่หัวกับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ เขาพูดโทตลอดนะ้ขากลัว ต, ตายเนี่ยเขูด ท, ทตลอดเลยพุดโทออพอเขาจะหลับพวกไก่หินตกหัวไปพุดตบตบตบตบตบไม่น่าเชื่อนะนี่พยาหลักฐานยังอยู่ในตั่งอยู่ในสองท่านเนี่ยแม่เขาปรากฏว่าที่มันเน่าเนี่ยมันลามมาติดกันเออถ้ามันเป็นมะเร็งอยู่ในตัวเนี่ยมันมองไม่เห็นนี่มันเน่าข้างนอกมันลามมาติดกันเฉยเลยเว้ยเนื้อน่ยมันลามมาติด ก, กันกลายเป็นปกติเลย ทำน้าพุทโธเนี่ยเนื้อมันกลับรามมาติดกันหมดเลยหายอยู่ต่อมาจนถึงอายุอยู่มานานนะตอนนั้นเนี่ยอยู่มาตั้งหลายปีสิบยี่สิบปีแล้วมั้งเอ๊ะตั้งแต่เป็นน่ะยี่สิบปีสิบกว่าปียี่สิบกว่าปียีิบปีได้เวลามาตายตายโรคฉลานะไม่ได้ตายเพราะลมประเร็งตายอายุแปดิบหกย่างแปดิบเจ็ดมั้อายุแปดิหกใช่ไหมเราจำได้ดีแปดสิบหกเนาะตายเจออายุแปดสิบหกอเป็นโรคชลา คิดดูดิเป็นมะเร็งมาตั้งสิบยี่ปียี่ปีมันกินไม่ลงขนาดเน่ามานะแกรบริกรรมไม่หยุดเลยพุทโธพุทโธุทโธุทโธพุทโธพุทโธมะเร็งกินแกไม่ได้เออแกเก่งมากเลยแล้วขนาดเป็นอนโรงพยาบาลแก่แกชาลาแล้วเนี่ยแปดสิบหกแล้วแกกับพุทโธแกความที่แกพุทโธไม่หยุดเนีลยพอร่างกายมีแผลอะไรสักหน่อยเนี่ยเพราะว่าไปนอนนานครับเนียยแผลก็กลับมาติดกันอย่างเดิมอีกเราก็ไปยืนดูไอ้แผลมาเนี่ยมันค่อยๆ พอมันเป็นแผลอะไรในร่างกายไปนอนนอน น, อ น, นานเนี่ยเป็นแผลขึ้นมาปุ๊บแกกับพูโทโธไม่หยุดเนี่ยมันก็เลยแผลมันก็เป็นไอแผลริมอ่อนเนี่ยมีเลื่อดอ่อนมาค่อยๆมาที่ขอบแผลพอมีเยื่อดอ่อนเกิดผุดขึ้นที่ขอบแผลเสร็จแล้วมีเลือดติบต๊บๆที่ขอบแผลแผลมันก็ลามมาติดกันอีกหมอก็งงมากเลยมั้ยายยายทําจิตยังไงของยายเนี่ยสอนหมอพางทีทําไมร่างกายมันซ่อมตัวมันเองอัตโนมัติเนี่ยแล้วเวลาเวลา นอนนานเชื้อโรคมันเข้าพราร่างกายไม่ได้ขยับเชื้อโรคมันเข้าเอ้าเจาะเลือดไปตรวจยังไม่ทันจะตรวจดูว่าโรคอะไรเลยตรวจอีกทีหนึงเชื้อโรคหายแล้วเอ๊ยยายทําจิตอย่างไรของยายเนี่ยมันกําจัดเชื้อโรคได้ด้วยแต่จริงข้างในแกพุทโธไม่หยุดแกนอนแต่แกพุทโธไม่หยุดพุทโธเป็นปุณโณเลยพุทโธพุทโธพุทโธจนกระทั่งว่าแกไม่ได้ต้องตั้งใจพุทโธมันจนจิตมันพุทโธเอง พุโทโธไม่หยุดจนจิตมันพุโทโธเองได้เลยนี่แล้วมีคราวหนึ่งแกเอาเสียมไปแทะอะไรไม่รู้บนบนเตาถ่านกิ่งตกลงมาไอ้ตรงเนี้ยสะโพกเนี่ยไปกระดูกมันหลดออกจา ก, กบเบา้าก็ปวดมากเลยกลางคืนน่ะแกเรียกเราแล้วแกก็กพุโทโธแล้วก็เรียกแต่ชื่อเราแต่พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนอนไม่หลับเลยวันนั้นนายรู้เป็นอะไรหมนไฟมันลุกทั้งที่นอนลุกทั้งตัว เอ้ยวันนี้พลิกซ้ายพลิกขวาพลิกขวาพลิกซ้ายมันทำไมนอนไม่หลับไฟมันลุกทั้งตัวเลยคอแห้งปากหมดเลยเอ้ยวันนี้เป็นอะไรเนี่ยเลยลุกขึ้นมากําหนดพิจารณาดูเอ้าแม่สมรเมเมงเนี่ยพุทโทรเรียกอยู่นั่นแน่โอ้โ ห, โ ห, โ ห, โ ห, โหโจนจิตมันมีกําลังมีอํานาจจิตเรียกได้แล้วไปลุกทั้งตัวเลยเออพอตอนเช้าหายเออไอกระดูกที่หลุจะเบาจะหายหายเจ็บไปปวดด้วยไม่ต้องไปหาหมอเออเก่งมากนะ ซ่อมตัวเองได้อัตโนมัติเนี่ยเนี่ยพยานหลักฐา น, นยังอยู่ในสองท่านเนี่ยเป็นพี่สาวเราเนี่ยกับ น, น้องสาวคนละแม่กันเนี่ยแม่แม่สมลิมเนี่ยเป็นแม่เล็กดูดิช่วยตัวเองโอ้โหเก่งมากเลยออยู่กระทั่งนอนโรงพยาบาลสองปีไม่ตายนอนอยู่สองปีไม่ตาย โ อ, โอ้ยลูกหลานเฝ้าไข่เกือบตายกันหมดเนี่ยก็หลานต้องไปต้องให้แกยอมยอมวางปล่อยวางสังขานอย่าเอาพุทโธยื้อ่างกายไว้บอกเรือมันผูกหมดแล้วแม่เรือมันผูหมดแล้วจะลากไว้ไหนเนี่ยอย่าเอาพุทโธมายื้อ่างกายไว้ปล่อยวางปล่อยวางเรือที่ผูเนี่ยให้มันจมก้นนอนทะเลไปแล้วเราก็ขึ้นฝั่งซะมันจะเอาไปไหนอ่ะเรือมันไปไม่ได้แล้วมันผูกแล้วจะไปยือ้อได้ยังไงล่ะ ปล่อยเรือมันจมก้นร้องทะเลเราอยากจมไปกับเรือเราขึ้นฝั่งซะแล้วให้เรือเนี่ยสละเรือซะผู้อยู่ตั้งนานเนี่ยแกยอมเลยยอมจะแรกแกก็ยอมแล้วยอมสละยอมสละเรือพอพยาบาลมาเอาไอ้เราก็ยืนอยู่เนี่ยพอพยาบาลเอาไอ้ไอสายยางมาดูดน้ำลายไปที้มโเหกือแกหน่อยเดียวแกสะดุ้งเละแกพู้ทรงอัตโนมัติเลยมามันกลับมาอีกกลับมารักษาตัวเองอีกเอา้าไม่ตายอีก ต้องไปพูดกับพูดกับแม่กขาใหม่ว่าไอ้วางวางวางวางวางวางรังขามันผุหมดแล้วจะยื้อไปถึงไหนโดยกันสุดท้ายแกก็ยอมวางพรอวางปุ๊บก็เน่าเลยแปลกจริงนะพอวางแล้วเน่าเร็วมากเลยวางพุ๊บก็เน่าเลยเนี่ยแต่เราเสียดายมากตาเสียดายมากเลยคือให้ท่านปล่อยวางได้แต่กาย แต่ไม่สามารถปล่อยวางความยิดมั่นหรือมั่นจิตใจที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ยึดกายยอมปล่อยวางกายแต่ไม่แต่ไปยึดเอาจิตใจยึดเอาจิตวิญญาณเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราไม่ได้ปล่อยวางจิตใจที่เป็นเวทนาจัญญาสังการวิญญาณที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นผู้รู้ไม่ได้ปล่อยวางทั้งสิ่งที่ถูกรู้แล้วปล่อยวางทั้งผู้รู้ไปยึดเอาสิ่งที่ถูกรู้และยึดผู้รู้คือจะเอาตัวเองอ่ะ ยังรู้สึกมีตัวเองจะต้องขึ้นฝั่งแต่ยอมปล่อยเรือหรือร่างกายในีจมกล้นท้องทะเลแต่จะเอาตัวเองขึ้นฝั่งแต่ความจริงมันต้องปล่อยวางตัวเองให้ทิ้งหายไปไม่มีเหลือในธรรมชาติในจักรวาลนี่แต่สอนไม่ทันเพราะว่าความรู้ความเห็นเขาเข้าใจมันใต้ขนาดนั้นแล้วก็ว่ามันก็ประเสริฐแล้วแต่จะให้สอนปล่อยวางกายได้แต่สอนปล่อยวางเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณฝ่ายนมามธรรมปล่อยวาง ทั้งสิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้อาการได้ถูกรู้ปล่อยวางผู้ที่รู้อาการไม่เข้าไปยึดมั่นหรือมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเตัวตนของเราเราจะจะได้หายตัวไปไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างจักรวาลไม่เหลือตัวตนท่องเที่ยวไม่เหลือตัวตนที่จะต้องไปเรียนไหว้าตายเกิดเโยมมทุ่นเขาก็จะไม่ามาเอาไปลงพิพากษาเอาตัวไปไม่ได้หายไปเหมือนพระโคดจิกะเชืออคอตายพอตอนเชื่อคอตายพระโคดิกะบรรลุอลหรหันต์ยมทุ่นมารอเป้าอยู่สามวัน พบอกว่โคติกาเชื่อกคอตายจะไปลงโทษอ้าวเอ๊ะวิญญาณพระโคติกาหายไปไหนเนี่ยตามหาไม่เจอจิตวิญญาณของพระโคติกาหายไปไหนแล้วเอ๊ะทำไมตายปุ๊บหายเลยเอ๊ะยอมาทุ่มากันสองตนตามหาวิญญาณของพระโคติกาไม่เจอจะไปลงโทษแล้วไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระโคติกาบรรลุอลหรหันต์แล้วตอนพัฒนาเชื่อกคอตายบรรลุอลหรหันต์โปงปล่อยวางได้ บรลุอลานจิตวิญญาณก็เลยดับไปเหมือนด่งไฟเปลวไฟที่ทิ้นเชื้อหรือไฟเทียนที่อยู่ต่อหน้าพระองค์แล้วก็ะเป่าดับพึบจิตวิญญาณหายไปอย่างนี้นั่นแหละแม่สุลิมเนี่ยไม่สามารถจะดับจิตวิญญาณที่เป็นตัวเป็นตนได้หายกลับคืนสู่ความว่างเปล่าไม่ได้ปล่อยวางได้แต่สังขารร่างกายให้จมลงก้นท้องทะเลแต่ยังมีตัวตนเหลือขึ้นฝั่ง เกี่ยวตัวตเหลือขึ้นฝั่งมันก็เลยมีตัวตนล่องท่องเที่ยวอยู่ในประตาสงสารนีกตรงเนี้พวกเราเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยคอยบอกกับพวกพี่ๆน้องๆก็อยู่เรื่อยว่าเราเป็นคืนลูกหลังเราเห็นแม่เขาทาอยู่เนี่ยแม่เขาทาได้ถึงขานาดเนี้ยแม่เขาปล่อยวางเพียงสังขารร่างกายได้เราต้องเลยกว่าแม่เราต้องปล่อยวางถึงจิตใจได้ปล่อยวางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปล่อยวางทั้งสิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้ เราจะต้องปล่อยวางได้ปล่อยวางใจของตัวเองิใจของตัวเองได้ไม่เข้าไปยึดถือว่าเป็นใจเราเป็นเป็นใ จ, ใจของเราหายกลับคืนไปสู่ความว่างเปล่าคือวางหมดเลยทุกอย่างไม่มีผู้เข้าไปยึดอะไรถลุแล้วเราจะต้องเหนือกว่าแม่โพรเราเป็นคืนลูกหลังอนะ่ะแล้วเราเรียนมากกว่าฟังมามากกว่าแม่เขาแก่แล้วมาฟังอาตอนแก่แล้วมันจะมันชา้นชาไม่ทันแต่เรามีเวลามากกว่า ต้องบอกว่าจะสู้แม่ไม่ได้นะเนี่ยแม่บริกรรมพุทโธจนจิตรวมเป็นหนึ่ง่ดึงเอาพลังในธรรมชาติมันเป็นทอร์นาโดลงมาทั้งฟ้าเลยอ่ะมันทำไมจะรักษาตัวเองไม่ได้เวลาแกบริกรรมพุทโธ ท, ที่มันแกดึงเอาพลังธรรมชาติในจักรวาลมาทั้งทั้งจักรวาลทั้งฟ้ามาปั่นหมดเลยเหมือนกับเป็นทอร์นาโดเลยมันเลยมัเลยมีอํานาจยิ่งใหญ่มากเลยพอเข้าไปในห้องแกพังอะเลยโอ้โหแกทําได้ถึงขนาดนี้ เก่งมากเลยน้อยคนที่บริการมจนสามารถปั่นจั ก, กรวาลได้จนเหมือนกับเป็นทอร์นาโดเลยน้อยคนที่ทำได้นะใครทำได้อย่างนี้โอ้โหสุดยอดเลยละอำนาจจิตรุนแรงมากสามารถอธิษฐานของอะไรก็สักสิษฐ์หมดแ้่ใครทำได้อย่างนี้ต้องบอกว่าพอมาถึงรุ่นลูกเนี่ย จะแพ้ไม่ได้เพราะเราฟังมากกว่ามีอายุมากกว่ามีเวลาเหลือนานกว่าแต่เราสู้แม่ไม่ได้เนี่ยเสียหายทั้งกระดานเลยเพราะว่าแม่มาปฏิบัติตอนแก่แล้วแต่เรากลับสู้แม่ไม่ได้อืไม่ได้นะสู้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องเสียหายเยอะยับทั้งกระดานตายไปในขณะที่ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งที่อาศัยแย่เลย แม่เห็นอยู่กับตาว่ามีพุโทโธเป็นที่พึ่งที่อาศัยจนตายเพียงแต่ปล่อยว่าเอาพุโทโธปวางร่างกายแต่ยึดพุทโธไว้แล้วก็เอาจิตไปพอจิตไปมันก็เลยเหลือยังต้องท่องเที่ยวอยู่ไม่ได้ปล่อยวางจิตเราปล่อยวางพุโทโธลงเราต้องเหนือกว่าเพราะว่าเราเป็นคืนลูกหลังฟังมากกว่ามีอายุเวลาพอจะเหลือปฏิบัติมานานมากกว่าแต่เรากับ รู้แม่ไม่ได้แม่นี่เรียกเรียกหลวงตาที่ไฟลุกเลยลุกทั้งที่นอนเนี่ยไฟลุกไหม้หมดเต็มไปหมดเลยลุกเหมือนก็ก่อไฟไหม้ทั้งห้องเลยโอ้โหอานาจจิตแรงมากเลยใครทาไมเป็นอย่างนี้นอนไม่หลับเลยกิ้งไปกิ้งมาพลิกตายก็แล้วพลิกขวาก็แล้วมันไฟมันไฟมันไห ม, ม้ทั้งตัวไหม้ทั้งที่นอนทั้งห้องเลยเอ๊ท้ไมันเป็นอย่างนี้ คอแห้งผากเลยเลยลุกขึ้นมาดูแม่สมริมนี่เองอไปตกอะไรเนี่ยปรากฏ ว, ว่าเอาเสียไปแซะหญ้าบนเตาถ่านกิ่งตกลงมาไอ้เนี่ยมันเยื่อตรงนี้มันฉีกเจ็บปวดมากแต่เวลากลางคืนก็เลยเรียกตอนเช้าก็หายก็ไม่หาหมอเราะพไม่ไปหาหมอเลยหาย้ปโอ้ร่างกายมันซ่อมมันก็ไม่กลัวเลยอำนาจพุโทโธแกนี่ ครอบโลกกษัตริย์จักรวาลแกปั่นจักรวาลได้เลยพุทโธทิ้งแกไม่กลัวอะไรเลยแก่กล้ามากเลยมะเร็งก็กินแกไม่ลงเป็นอะไรแกก็กินแกไม่ลงอ่ะแกกระดูกหลุดจากเบ้าแกก็ยังซ่อมเองได้เสียโลกเข้าในก็แตสเลือดแกพุทโธไม่เจอไหลไม่กีเทียเสียโลกหายอไปหมดเลยเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยทําอะไรแกไม่ได้อ่อแต่แกไม่แกะแล้วก็ม่ยอมตายแกไม่ตายจริงนักหมอ โอ้โหนี่ยายทํำยังไงเนี่ยยายทําจิตยังไงสอนหมอบอ้างดินี่นอนมาตั้งสองปียังไม่ตายเลยยายทํายังไงเนี่ยปกติมันไ ม, ไม่เท่าไหร่ก็ตายแล้วเนี่ยแต่อย่างเงี้ยมันฉลามากแล้วมาไม่ตายอย่างนี้อีกสองสามปีก็ไม่ตายนะเนี่ยหมอบอกเพราะร่างกายมันซ่อมตัวมันเองอัตโนมัติเอ้ยพวกนี้วอยไว่อย่างเลยโอ้โหไม่ได้แล้วอีกสามปีตายแน่เลยคนเฝ้าตายก่อนเฝ้ามาแล้วสองปี ถ้าอีกอยู่อีกสองสามปีไม่ตายคนเฝ้าตายหมดอเลยสุดท้ายมาอ้อนวอนเราใหญ่บอกขอให้แม่ไปอย่างสงบหน่อยอีกตอนแรกมาอ้อนวอนเราตอนแม่ป่วยใหม่ใบอกว่าช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ด้วยช่วยช่วยแม่ด้วยแม่เขาก็ช่วยแม่ด้วยแม่ยังไม่อยากตายเอาลูกก็มาอ้อนวอนแต่ช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ด้วยตอนแรกก็มาอ้อนวอนกันใหญ หลัจะนอนโรงพยาบาลมาสองปีหมอบอกว่าอย่างนี้อีกสามปีก็ไม่ตายสนภะาพการไปซ่อมตัวเองอัตโนมัติโอ้ยไม่ไหวแล้วอย่างนี้เห็น ไ, ไหมเนี่ยเราเป็นมาขึ้นลูกหลังต้องเก่งกว่าขึ้นลูกหลังต้องเก่งกว่าลูกแรกเพราะเราเห็นประสบการณ์ของลูกแรกว่าลูกแรกเนี่ยเก่งขนาดนี้แล้วผิดพลาดอย่างไรเราเอาความผิดพลาดนั้นให้เหนือขึ้นไปอีก ปล่อยได้แต่กายแต่ปล่อยจิตไม่ได้ปล่อยจิตวิญญาณไม่ได้เราก็ต้องให้เหนือกว่าแล้วปล่อยวางหมดเลยอย่างเงี้ยดันั้นพุทโธต้องรวมเลยอะรวมเป็นหนึ่งเดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโหนักโธพุทโธพุทพุธพุทโธพุทโธพุทโธ จิตมันไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนมันพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเงี้ยมันอยู่ไหนเออมีไข่หินถอยู่ในมือแต่ว่าพุทโธมันมีน้าหนักพุทโธมันมีน้ำหนักเออก็ดีเหมือนอ๋อเอาไข่หินไปลงพุทโธพุทโธเดี๋ยวก็เอาไข่หินไปใช้จะก็ต้องตายแล้ว่ะพุทโธแล้วไข่หินไปอยู่ไหนรักไปรล้แต่ตรงสายไข่หินนี่เป็นไข่พิเศษไปแล้วน่ะโอแกพุทโธมันไม่รู้กี่ปีอะสายไข่หินนี่น่ะกลายเป็นไข่พิเศษไปแล้วน่ะไข่ไข่ใบด้าอ่ะเออ ก็แกโตผูโตผู้โ้วยไม่รู้กี่ปีเป็นสิบปียี่สิบปีอะคิดวเอไขไปนั้น่ะกถือแกไมวานเลยตั้งแต่เราที่ฐานให้แกแกก็โอ้โหบอกว่ามันผูโมันมีน้ำหนักดิมันมีน้ำหนักเดี๋ยวพุ้โถลอยลมผู้โผู้โผู้โแล้วมันรู้ใจมันไปอยู่เออไอเดี๋มันมีน้ำหนักาเราจะนอนก็มาใส่ไปวางจะบอกมือมือของเอาทำอย่างงี้พอนอนพุบพอเผลอหลับปุหินมันตกไปหัวโป๊ะหัวหน้าศาลอยู่คนหนึ่งเนี่ยแกก็แบบเนี้ย แต่หัวหน้าศาลแกบอกว่าพุโทโธและจิต ม, ม, มันไม่อยู่จิตมันไม่อยู่อาจารย์อาจารย์เอาบทสวดมนต์อะไรให้หน่อยได้ไหมแล้วบเอาบทสวดมนต์อะไรที่ศักดิ์สิทธิ์หน่อยเนี่ยที่มันคุ้มครองป้องกันได้เราก็บอกว่าบทสวดมนต์ศักดิ์สิทธิ์ก็คือพุทธคุณธรรมคุณพสังคุนในอีธิพิโตภควาสวรกัสสุปัตตะปันโนสวดเราเอะจบแล้ ว, ก, ลวก็สวดอีกจบแล้วก็สวดอีกตอนนี้พอดีหมอดูไปไปทำนายแกบอกว่าจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วแขนแก จะเสียหายทํางานไม่ได้แกนที่กลัวหนักเลยตอนนี้แกกลัวหนักแกก็หาที่พึ่งอปกติก็ไม่ชอบปฏิบัติหรอกหาที่พึ่งก็เลยให้อ e ิติ P S o, พิโสพักวารไปเพราะวา่าพุทธโธให้ไปลองพุทธโธแล้วแกบอกว่ามันสั้นเกินไปใจไม่อยู่เลยฟุบสัน้นเลยให้อ e ิ T P S ติพิโสตอนนี้แกสวดทั้งวนันทั้งคืนอิตริพิโสทํางานแกแอบสวดอยู่ในใจอาาาิติตพิโสพักวารทำมาทำพุทโธสวดทั้งวนันทั้งคืนแกบอกว่าตอนนี้ไม่ขับรถเลยเพราะว่ากลัวมากเลยหมอดูบอกว่า จะเกิดอุบัติเหตุรลายแหลงไปขับรถเลยตอนนี้เดินทางจากนครสวรรค์เนี่ยเป็นหัวหน้าสานรนครสวรรค์อดีตหัวหน้าสารนครสวรรค์มาเดินทางจากนครสวรรค์เข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพมานครสวรรค์เนี่ยนั่งรถไฟตอนนี้นั่งรถไฟแล้วปากกันไหนมันก็ตัตต ว, กกว อ, อินีโสเพราาปากเขาเขาหมุนเขาบิดไอเขาเพราะว่านั่งรถไฟอ่านหน้าชนกันก็ เ, เลยซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแล้วมาบังหน้าไว้เออแล้วบอกหนังสือพิมพ์กับหัวบอกว่าเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์หรอกซื้อมาบางหน้าไว้แล้วก็ อิติปิโตปะกวาาหังสัมมาสัมุโตวิจาเะสัมปันโนัจบแล้วก็สวดอีกจบแล้วสวดอีกจบแล้วสวดเนี่ยอิติปิโตสวัคโตสปฏิปันโนนะจบแล้วสวดอีกทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดเลยกลัวตายกลัวอุบัตเหตุกลัวทางานไม่ได้แขนมันจะขาดหมอดูไปถ่ายไว้เออก็มีประโยชน์กันนะพวกหมอดูนี่เขาไปแก้กลัวได้ไม่งั้นแกก็มายอมฝึกคิดเลยแกกับ พุทโธกลับบ้าเวลากลับจางเที่มาแล้วก็สวรรค์ก็พุทก็อีทิปิโสมากว่าดไปก็อีทิปิโสมากว่าดทำงานทั้งวันก็อีทิปิโสมากวาแกกลัวมากเลยหายไปสักเดือนเดือน ก, กว่าไม่ถึงสองเดือนเน่ยเอ๊ะแกบอกว่านอนไมห่หลับเลยทยําทไมจิตมันอีทิปิโสไม่หยุดอทําไมจิตมันอีทิพิโสไม่หยุดเนี่ยเลยหนูนะ่ะกลายเป็นว่า นอนกับมีตัวสองตัวเหมือนกันเลยอีกตัวหนึ่งอ่ะมันสวดอิติปิโสไมห่หยุดแต่ตัวหนูเนี่ยจะนอนแลแ้วแกก็บอกว่ามึงหยุดสักทีกูจะนอนมันก็ไมห่หยุดมันก็นสวดอิติปิโส ต, ตลอดเลยแต่ตัวแกเนี่ยจะนอนเลยแกเป็นกายมีสองตัวก็เลยแปลกมากเลยอแต่หลังมันไปไล่แล้วก็ปล่อยสองตัวก็บสองตัว เราก็ปล่อยเธอะเราก็หลับไปแล้วปล่อยให้ตั ว, น, ว, น, น, ว, น, วนั้นเนี่ยมันสวดมนต์ไปอิติปิโสไปเราก็นอนหลับไปตแต่แ ร, แรแกๆแกก็เป็นเที่ยงคืนตอแล้หลังตีสองตีสามมันยังไม่หยุดสวดต่อไปตีห้าไม่หยุดสวดตอนนี้แหละอาจารย์หนูไม่ได้นอนเลยมันเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วตายแล้วมันไม่หยุดสวดเลยทั้งวันทั้งคืนไงตัวสวดมนต์เนี่ยหนูไม่หลับไม่นอนเลยเอากลายไปอีกแบบตังอีกกลายเป็นว ไอจิตเนี่ยมันสวดมนต์เองแต่ตัวแกไม่ยอมสวดแต่เมื่อก่อนเนี่ยแกต้องบังคับไอจิตมันสวดมนต์วาให้ดีนะเมื่อก่อนเนี่ยแกต้องคับบังคับไอจิตมันสวดมนต์เพราะแกกลัวตายผู้บาดเหตุแต่ตอนหลังเนี่ยจิตมันสวดมนต์ไม่หยุดแกบอกให้มันหยุดแกจะนอนมันกลับด้านกันจิตมันไม่เลิกสวดมนต์ระบบมันเป็นไรหรอกแล้วทำงานได้มไหมล่ะทํางานได้ ทำงานปกติเปล่าปกติอุยแสดงว่าปกตินี่หลับแต่จิตมันไม่หลับไม่ได้หลับจริงๆอาจารย์ผมว่าไอ้จิตที่มันส่วนอีทิพิโสมันไม่เคยหลับเลยรู้ตัวตลอดตั้งคืนเลยอุ้ยไอ้กายเนื้อมันหลับแต่ไอ้ผู้รู้กับจิตที่ส่วนอีติพิโสเนี่ยมันรู้คู่กันตลอดจนจิตมันรวมเป็นหนึ่งคือไอ้ผู้รู้กับจิตที่ส่วนบนมันเป็นหนึ่งเดียวกันส่วนในกายมันหลับครอกๆไปแล้วมันก็จะทํางานไงได้แต่ประจำทิศอาทิตย์เด็กก็ไม่เชื่อเราบอกไม่เชื่อลองดูเด็ก ปรากฏว่าไอ้ผู้รู้กับไอ้จิตที่อีพิโตเนี่ยมันเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันตัวนในกายเนื้อเนี่ยหลับครอกหลอกๆอกแกก็เลยนึกว่าไอ้ผู้รู้มันไม่หลับแกก็เลยมีความรู้สึกว่าแกไม่หลับเลยเพราะไอ้ผู้รู้สึกตัวเนี่ยมันไม่หลับแต่แท้จริงไอ้ผู้รู้สึกตัวเนี่ยมันมันมันที่สุดแล้ววันเนี้เพราะพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยอยู่กับผู้รู้นี่ถ้าอยู่กับผู้รู้ตลอดเลยพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าอยู่กับผู้รู้เสร็จแล้วเนี่ยไม่สนใจจิตที่ตัวอีติพิโตแล้ว แล้วอยู่กับผู้รู้แล้วไม่ต้องไปงุนจิตอะไรแล้วอยู่กับผู้รู้ได้ก็กลายเป็นผ้าหลานไปเลยแต่แกกลับไปงุนจิได้จิตที่มันส่วดตอนห ล, น ล, นลังแกพลิกกลับด้านมางุนจิได้จิตที่มันส่วนอิจิมิโซเสียท่าไปแกไม่เข้าใจมันตอน้องไปกลับด้านโวยวายโวยวายอยู่นั่นแหละจะให้จิตที่มันส่วนอิจิมิโซหยุดได้ได้แวน้าศานะอดีตหน้าศานคะสวรสรค์ก็แต่ตอนหลังจิตมันรวมนะจิตมันรวมไป มันรวมไปเป็นหนึ่งเดียวกับไอ้ครับจิตวิสุทธ์พระวัตแล้วแกไอ้ครับบริสุทิ์ไอ้ครับจิตคำสวดมันหายไปแล้วก็มันสู้ราสู้าสู้าบันห่อเอิญเดินอากาศได้ร้องรั่นตะโกนลั่นหมดเลยอะไรเนี้ยคอนแห่แตกตื่นมาดูกันใหญ่เลยแกก็ทำไมเป็นอย่างนี้ทําไมมันเป็นอย่างนี้มีความสุขที่สุดในโลกเลยไม่เคยชีวิตเกิดมาไม่เคยมีความสุขอย่างนี้ทำไมมีความสุขอย่างนี้มีความสุขนี้ตะโกนใหญ่ตะโกนจิตมันรวมไปทั้งที่ลืมตายเนี่ยว่าอะไร อยู่ๆแตพอแกขี้เกียจยื้อกันน่ะขี้เกียจเอาพุทโธไปเอาเอาผู้รู้ไปยื้อกันไอ้พุทโธไอ้อ้จิติโสพระกวาจิตที่สวไอ้จิตวิโสพระกวาแกก็ไรแกยื้อไว้ครับก็มันก็เลยชักกระเยาะกันเองชักกระเยาะกันอยู่เนี้ยตอนนี้มันก็เหลือแต่ไอ้ไอ้จิตผู้รู้กับไอ้จิตที่อิจิตวิโสพระกวาแต่ร่างกายแกไม่สนใจแล้วไงเพราะว่าร่างกายแกมันมันหลับไปแกก็ไม่สนใจแกไม่สนใจมันก็เลยเหลือแต่จิตผู้รู้กับจิตอิจิติโสพระกวามันยื้อกันมาอยู่นานหลายเดือนจน แกก็เล่ปล่อยที่มันยื้อเนี่ยเหมือนหนังกระติกอ่ะคอยยือย้อยือกันเพรมันยื้อไอ้นี่ยทีสีพิโสแกก็อยากาจะให้มันดับให้ได้แก่จะหลับแกต้องการจะหลับอย่างเดียวจนท้ายยื้อไม่ไหวแกก็เอาผู้รู้เนี่ยแกปล่อยวางผู้รู้แล้วไป็นกรันจุดเข้าไปรวมในทีทีพิโสเลยตอนนี้บึ้มเลยก็สว่างสวายขนลุกทุ่มสาสุ่มากายเบาใจเบามันห่อเ อ, อิญโดนอากาศได้ตะโกนลั่นอยู่แนะ มันมันมีความสุขอย่างนี้มันมีความสุขอย่างนี้มีความสุขที่สุดในโลกเหมืนไม่เคยเจออย่างนี้ทำไมเป็นอย่างงี้ทําไมเป็นอย่างนี้ทีวีโซ่หายไปเลยเหลือแต่รู้โวยวายโวยวายคนแห่มาดูเยอะเลยบอกเฮ้ยไอเขาหัวหน้าอะไรมาเป็นอย่างนี้ไอายเขาไม่รู้โวยวายอยู่แน่แน่เอหัวหน้าเก่าที่ขงกษัตริย์เนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่เลยเออเออเนี่ยเออเห็นไหมสวดมนต์ก็ได้นะ พุโทโธก็ได้ส่วนมนก็ได้เนี่ยให้เป็นอย่างนี้เนี่ยจนจิตมันสวดมนต์เองจนจิตมัจนบริกรรมเองตอนแรกๆเราก็บอกเออขยันช่วยมันให้มันบริกรรมตอนหลังๆเนี่ยจิตมันบริกรรมเองเราเาราขี้เกียจบริกรรมแต่จิตมันบริกรรมไม่หยุดเราจะเป็นยังไงจิตมันก็บริกรรมไม่หยุดเราจะนอนเราจะตายเราจะเป็นอะไรจิตมันก็บริกรรมไม่หยุดจิตมันบริกรรมเองแต่เราเนี่ยขี้เกียจบริกรรมแล้วแต่จิตมันบริกรรมไม่หยุดอันเนี้ยสุดยอดเลย ตอน แ, แรกๆเน es, ี่ยเราต้องขยันให้บอ evet. กให้มันบริกรรมแล้วมันทำไม่ยอมบริกรรมเราก็ต้องคอยกตุ้นให้มันบริกรรมให้มันบริกรรมให้มันบริกรรมเรากลายเป็นเป็นสติแทนแล้วจิตมันให้บอกให้มาไอ้จิตเนี่ยมาสวดมนตให้มันพุทโธพุทโธพุทโธตอนหลังพอจิตมันพุทโธติดแล้วเรากลับจะไปบอกให้มันเลิกเนี่ยมันกลับด้านกันอย่างเงี้ยตอนหลังจิตมันบริกรรมเองมันไม่ยอมเลิกเนี่ยอย่างแม่สมลิศนั่นจิตบริกรรมเองจนจิตมันมีฤทธิ์มีอํานาจเลยอย่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เูาสมัยเนี่ย จิตต like ัวจ the ิตมันบริกรรมเองท่านเดินบิดบาตไปไหนมาไหนจิตมันบริกรรมเองโดนรถชนหรไม่เป็นไรเหนื่อมาก็ไม่เป็นไรอะไรโดนอะไรก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าจิตมันบริกรรมเองอยู่ภายในมันเลยคุ้มครองเรื่อเนี้ยมันเลยคุ้มค้องหมดเลยแล้วร่างกายเจ็บไค้ได้ป่วยเป็นมะเร็งเป็นอะไรก็รักษาได้แล้วมันก็คุ้มครองได้ที่สมเด็จพระสังฆราชบอกว่าพุทโธเนี่ยคุ้มครองในขอบโลกขอบขอบโลกธาตุจักรวาลเลยครอบได้หมดอันนี้ไม่มีอะไรมีอานาจเหนือพุทโธเลยบนกระถาอะไรสู้พุทโธไม่ได้ แล้วพอจิตมันบริการเองตัวเนี้แก่เลยสักดสิทธิ์เลยตอนนี้ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ากายไม่ต้องพุทโธแล้วเดินไปไหนมาไหน่แตจิตมันพุทโธไม่หยุดเลยมีหน้าที่แต่รู้รู้จิตที่พุทโธอย่างเดียวส่วนกายก็ทํางานไปเดยอัตโนมัติไม่ให้ผิดพลาดแค่นั้นที่ประจําวันส่วนจิตมันก็รู้ไอ้ผู้รู้มันก็รู้จิตบริการพุทโธภายไหนมันเลยไปเพราะว่าจิตมันบริการพุทโธของมันเองไอ้ผู้รู้ไม่ได้ไปคอยดูรู้จิตที่บริการพุทโธหรอกเพราะว่ามันรู้อยู่ว่าเราทําอะไรเนี่ยก็รู้อยู่ว่า จิตเนี่ยมันบริกรรมพุทโธไม่เลิกส่วนมวลอิสติมิโสม่เลิกคือรู้อยู่ว่าไม่ใช่ว่ามีผู้รู้ไปคอยดูจิตที่บริกรรมพุทโธหรอกคือไม่ว่าทําอะไรก็รู้ตัวอยู่ว่าเนี่ยข้างในเนี่ยมันสวดมนต์ไม่หยุดไอเนี่ยคือผู้รู้ไม่ใช่ว่าไปรู้เนี่ยคือไปคอยดูอาการของจิตคือรู้ทำอะไรก็รู้อยู่ว่าไอจิตเนี่ยมันมันสวดมนต์ไม่หยุดหรือมันบริกรรมไม่หยุดไอนี่แหละเขาเรียกว่ารู้ไม่ใช่รู้เนี่ยคือไปไล่ดูอาการของจิตไปไล่ดูภายในที่ท่านบอกว่าอยู่กับผู้รู้อยู่กับผู้รู้ก็คือ รู้ตัวนี่เองรู้ตัวทําอะไรก็รู้ตัวว่าจิตข้างในเนี่ยมันน่าจะเป็นจิีเองนเนี่ยเนี่ยคือรู้ตั ว, ร, ตวรู้ตัวนี่เนี่ยไม่ใช่ว่ารู้เนี่ยคือไปดูอาการของจิตนะ เ, นเออข้าใจไหมล่ะเออเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างตัวอย่างอย่างเนี้ยอย่างว่านาสานอยเนี้ยก็เป็นประโยชน์ดีอย่างอย่างแม่สุริยเอย่างเนี้ยแต่เราเนี่ยทําให้มันได้อย่างนี้แน่อย่างภรรยาผู้อาสาท่านบางทีท่านจะตายแล้วสามีไปหาวัด ที่สาลาว่าพะศรีมหาชาตุแล้วรอดตายมาได้ก็พุทโทเนี่ยเราเห็อัศจรรย์เรื่องนี้เยอะแยะมากเลยพุทโทเนี่ยรอดตายเยอะมากเลยกับรอดตายได้เลยนะแก้วคาดเรื่องแค้วกานี่เรื่องธรรมดาเลยแค้วคาดแต่เรื่องรอดตายเนี่ยถือว่าหลายชีวิตรอดตายเพระพุทโธนี่ทีใครสงสัยเลยรไหมเราจะดึกสองทุ่ม